สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสรรเสริญสนทนารายการที่กราบนมัสการสนทนาธรรมกับพระภิกขุอภิปุณโณวัดป่าดอนหายโซอุดรธานีเพื่อทําให้ท่านได้เข้า เรื่องของสติปัฏฐาน 4 ทางสายเอก 8 หรือว่าทางแห่งการระลึกอยู่ ทีนี้ว่าจะต้องไล่ว่าถึงวันนี้ก็จะเป็นอ่าเริ่มต้นคุณจะต้องอ่าฐานที่ตั้งของ ในขั้นที่ 2 เนี่ยเมื่อไหร่อือหือจริงๆแล้วเป็นอย่างไรคะเอ่อพระเจ้ายกตัว นะหรือว่าเรานึกถึงเจดีย์ก็ได้นะ นะ, นะ, นะ, 4 เนี่ยไม่ว่าคุณจะ 8 ให้เกิดขึ้น อาสติเตยรู้กับลมหายใจใช่และที่ท่านบอกว่าทาง 4 ด้านแล้วกันนะกายอืมมีลักษณะอย่างไรล่ะคะเอ่อก็คือธาตุลมใน นะท่าน 1 นะ, หรือว่าเราจะมาพิจารณาผมขนเล็บฟันอาการอย่างที่เค้าเรียกกัน ก็คือกายถูกต้องผมขนเล็บฟันหนังถ้าพูดรวมๆในภาษาพระเค้า เค้าก็สังเกตร่างกายอนาโตมี่เค้าเรียนอะไรแต่ทําไมหมอไม่หลุดปนทุกคนน่ะใช่มั้ยเอ่อแต่ว่า แล้วก็อาจจะจินตนาการก็ได้เอาคุณถอนเล็บมาเอาเล็บไปต้ม หมดกําลังใจซะก่อนว่ามันยากอืมก็เนี่ยนะเช่นปปิชาบอกให้ ก็คือเลยไปฆ่าตัวตายจ้างให้คนอื่นเขาฆ่าตัวเองหรือไป มันจะน่าขยากขะแยงเกินไปงั้นเปลี่ยนเปลี่ยนไปลมหายใจดีกว่าอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาคุยเรื่องลมหายใจว่าเอ่อยกตัวอย่างเช่นเอ่ออากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะ จะเป็นลมแอร์ลมพัดลมลมธรรมชาติลมปากคนเป่านะเราจะรู้สึกรับรู้ถึงสมบัติของลมได้ถูกมั้ยค่ะแล้วไอ้ลม เขางี้กับบุรุษชาบอกว่าปริมุขังนะคือทาง อันนี้คือคือคือประเด็นที่สําคัญก่อนค่ะนั้นถ้าเรารับรู้ถึงสมบัติได้ที่ไหนเราก็เอาจิตของเราเนี่ย เราสามารถรู้สึกได้ว่าลมมากระทบถูกต้องเอาตรงนั้นค่ะอ่าถ้าถ้าตรงนั้นเอ๊ะ มันจะแผ่วเบาเราไม่เคยสังเกตมันก็เลยไม่ 3 ครั้งปุ๊บแล้วก็หายใจธรรมดาแต่ <Okay. S 1> แล้วก็เอาไว้ตรงนั้นก็เอาไว้ตรงนั้นแต่กะได้นี่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องนะเป็นรูปสี่ๆนะแค่คร่าวๆเราๆนะคะ ทำให้ชินรู้สึกยากจริงๆอืมคุณจะรู้ว่าอ๋อใช่แล้วก็อาจจะเคยค่ะตามลมตาม เรามานะไปดูที่อุดรเนี่ยเอาขาไม้ไปให้เค้ากลึงแล้วก็ไปถามช่างเป็นมอเตอร์ใช่มั้ยเค้าก็ซึ่ง ตาที่เขาดูเนี่ยนะตาที่เขาต้องดูเขาต้องดูที่จุดสัมผัสระหว่างเจ้าไอ้ ช่างกลึงที่นี่นะเค้าย้ำบอกอาตมานะถ้าผมว่าเราให้ไอ้ใบมีดกินเนื้อชิ้นงานมากเกินไปเนี่ยมันมันจะทานกําลังกันไม่ไหวเครื่องจะสั่นแล้วก็จะพังได้แต่ถ้าเราให้ใบมีดไม่กินชิ้นงานมันก็ขึ้นรูปไม่ได้ดังนั้นตาเค้าเนี่ยต้องจ่ออยู่จุดที่มันสัมผัสกัน <ไ. S 1> อ่าอันนี้นี่คือถ้าใครอาจจะไม่นึกภาพไม่ออกเรื่องเกี่ยวกับช่างกลึงนะจะต้องมองอยู่ที่จุด พูดถึงเรื่องเลื่อยไม้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยป่ะเลื่อยไม้ไม่ใช่เลื่อยๆกันค่ะแต่ถ้าพระพุทธองค์ นั้นเป็นเช่นนี้ถูกมั้ยคะถูกต้องอันนี้คือขั้นคือขั้นแรกจะรู้อย่างกับที่ท่านพูดว่าไม่ใช่ตามลมน่ะเอ่อบางครั้งบางที นั่นแปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเหรอคะอ่าก็มันหายใจอึดอัดค่ะคือเราบังคับแบบแพทเทิร์นไหนช้าเร็วหาย ไอ้ธรรมดาที่ต้องฝึกคือใช่อย่าไปบังคับลมอันนี้คือประเด็นด้วยอย่าบังคับ ในเรื่องสติปัฏฐาน 4 นี้สมบูรณ์หรือยังคะยังนี่ยังไม่เริ่มเลยนะค่ะท่านได้ไปแค่สั้นๆในแต่ คันนั้นคือพระไตรบูรณภิปุณโณจาก 5 วันระเนนเชื่อว่าดีกว่าการ ท่านที่สนนะ 27 เนี่ยค่ะจะมีการทอดกฐินซึ่ง Google นะ อำเภอหนองหารอุดรธานีนะคะก็จะทําให้ท่านสวัสดี